พอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอพระสูตรในสังยุตตินิยในวันนี้จะได้พูดในเรื่องปีตสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยความกลัวพระสูตรในลักษณะนี้เราเคย ผ่านเรื่องทชัชกสูตรคือสูตรที่ว่าโดยยอดแห่งทงที่เป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัณน์ไรในยามที่สภาพจิตของภิกษุซึ่งอยู่ในป่าเกิดความหวาดกลัวมีอาการขนพองสยองกล่าวขึ้นมาพระเจ้าทรงสอนให้ สาธยายพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณไปตามลำดับโดยเป็นการเทียบเคียงกับวาทักของเทวสกะเทวราชที่สั่งตดยเทพทั้งหลายเมื่อทำสงครามกับเบปจิติอสูรและเกิดความหวาดกลัวต่อพวกอสูรทั้งหลายก็ให้มองดูทงของ มาเทพสี่องค์คือวรุณเทพประชาบดีเทพอิสานเทพแล้วก็องค์ท้าสกเทวราชเองก็จะเกิดหายกลัวหายสะดุง้งหายอาการขนพองสยองก้าวได้แต่พระเจ้าทรงแสดงเห็นว่าการที่เทวดามองทงจอมเทพทั้งสี่ บางครั้งก็อาจจะหวปวหายหวาดกลัวหายสะดุ้งหายอาการขนพองสยองกล้าวแต่บางครั้งก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเทพเหล่านั้นที่จริงก็ยังกลัวเพราะท่านยังมีกิเลสเป็นเหตุให้กลัวคือราคาโะโลภะโทสะโมหะอยู่ให้เราสังเกตว่าจับใดที่เรายังมีกิเลสประเภทนี้อยู่ไม่มีใครที่ไม่กลัว ถ้ากิเลสประเภทราคาประเภทโลภะก็กลัวการพละพลาคสูญเสียถ้ากิเลสประเภทโมหะก็กลัวตายกิเลสประเภทโทสะก็จะกลัวคนที่เราไม่ชอบมีความเจริญก้าวหน้าหรืออาจจะเป็นภัยเป็นอันตรายหรือมาทำอันตรายแต่สำหรับคนที่ไม่มีกิเลส มันก็ไม่มีเหตุให้กลัวในเรื่องความกลัวก็เคยคุยมาตอนที่ก็นานแล้วนะฮะพระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าถึงวิธีกา ร, รเผชิญหน้ากับความกลัวในขณะที่อยู่ในปา่าโดยสภาพที่ว่าเวรวดเดียวเดียวดาย ก็มีอาการหวาดกลัวมีอาการสะดุง้งในที่นั้นก็ส่งวิเคราะห์ประไทยของพระองค์เพราะมนุษย์เนี่ยจะกลัวอยู่สองเรื่องคือเรื่องหนึ่งก็คือกิเลสอย่างที่ว่าแล้วเรื่องหนึ่งก็คือผลมาจากกิเลสหมายความว่าตนเองมีพฤติกรรมมีการประพฤติมีการบิบัติตนผิดเป็นบาปบ้างผิดกฎหมายบ้าง มารู้สร้างความเจ็บแค้นให้แก่คนอื่นบ้างคนตนี้จะหวัดกลัวแต่พระองค์เองมันไม่มีทั้งสองอย่างคือไม่เคยสร้างเวรไัยอันตรายก็ใครๆนั่นอย่างเด็กแล้วก็ไม่มีบาปกรรมอะไรที่จะต้องหวาดวิตกกังวลในขณะเดียวกันกิเลสมันก็ไม่แรง จนถึงก็ต้องไปหวาดกลัวอะไรแต่ว่ากิเลสบางอย่า ง, งแว บ, บไปแว บ, บมาอยู่นะฮะเระอโรมก็ใช้วิธีคือถ้าในขณะนอนอยู่กลัวก็นอนจนหายกลัวนั่งกลัวก็นั่งจนหายกลัวยืนกลัวก็ยืนจนหายกลัวเดินกลัวก็เดินจนหายกลัวเป็นวิธีคล้ายๆกันดัดนิดสัยตัวเองแต่ในประสูตรนี้เป็น คำถามของเทวดามากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสุมจนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรหนอมักคาที่ดีแท้พระพุทธเจ้าสัจไว้ไม่ใช่น้อยกาแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าวมขอถามซึ่งเหตุนั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในไรแล้วไม่พึงกลัว ในปรโลกหรือไม่ปึงกลัวต่อปรโลกประเด็นนี้เป็นเป็นประเด็นที่น่าทำความเข้าใจนะคือเราเห็นว่าคนเราถ้าเรารู้ว่าเราตายไปแล้วไม่ต้องตกนรกเนี่ยมั่นใจว่าตายไปแล้วบังเกิดในสุคติก็แล้วกันคืออยากมนุษย์ขึ้นไป หรือมั่นใจว่าตายไปแล้วจะบังเกิดในพรหมโลกของท่านที่บรรลุฌานทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวคือท่านมีความคิดว่าเป็นการเปลี่ยนพัฒนะดินไปใช้พัฒนะทองคำสำรวจมารีเนี่ยท่านจะใช้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเทียบง่ายๆเนี่ยมันเหมือนกับการย้ายจากกระตอบไปอยู่ที่ปร า, าสาท หรือไปอยู่ที่คระหรืหาดในปัจจุบันเนี่ยมายความว่าคนตำแหน่งสลัมต่งางๆันดีคืนดีเขาจะมาไล่จากแหล่งสลัมตรงนั้นแล้วจะให้ไปอยู่ที่คระหรืหาดรู้เลยแล้วก็มีการบำบุงรักษาด้วยประการต่างๆพวกนี้จะไม่มีใครขัดขืน เพราะคนเราที่กลัวตายเนี่ยที่จริงมันกลัวต่อประโลกคือบางครังบางคาเราก็ต่อต้านนรกนะฮะลองสังเกตว่าเราต่อต้านนรกนรกเราต่อต้านต่อต้านเปรตต่อต้านนสุรกายต่อต้านความเป็นสัตว์เดียดฌานก็สร้างภาพม็มาหลอกตัวเองเห็นไปไม่ได้หรอก มันนรกมันมีที่ไหนพระเอานรกมากูเอาสวัสด์มาล่อเบื่อคนทําบุญกับท่านอะไรแต่แหล่งต่คือคนที่พูดอย่างนี้แสดงว่าทำบาปไปเยอะแล้วลึกๆเลยจึงกลัวกลัวตายแล้วจะไปตกนรกมันจะมีภาพเหมือนกับคนซึ่งกลัวผี แล้วก็ไม่มีไฟฉายหรอกหรือแม้จะมีไฟฉายแต่ว่าเดินผ่านในสถานที่ที่ตนมีความรู้สึกว่าผีดุเพราะคนเหล่านี้จะส่งเสียงดังจะร้องเพลงจะอะไรต่างๆไปหลอกตัวเองไปเป็นการปลุกปลอบตัวเองเพราะเรเหล่านี้ถ้าหากว่าคนคนนั้นเขาทําความดีไว้ ได้เชื่อมั่นว่าด้วยปริมาณของความดีที่ตนทรรมก็สามารถกำกับควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมจนจิตผ่องแผ้วตายไปแล้วก็มังเกิดในสุกติโลกสวรรค์เขาจะไม่กลัวคือถ้าแคยกลัวก็กลัวลว่าทำดีน้อยไป เราทำชั่วมากไปหน่อยก็ค่อนข้างเสี่ยงแต่ถ้าปริมาณของความดีมันได้สัก 70% ดสบเเนนี่ยฮะก็มั่นใจตัวเองเพราะในที่นี้พระพุทธเจ้ารับสั่งตอบว่าบุคคลตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบไม่ได้ทำบาปริกาย การตั้งวาจากระจไว้โดยชอบเนี่ยทนี้เราจะเจอมากสุดๆเลยเพราะอะไรเพราะทั้งหมดมันเป็นเรื่องกายวาจาใจก็ามาบรรยายหลักสูตรปรญญาเอกในหัวข้อการบริหารการจัดการองค์กรทางพุทธศาสนา ก็มาถึงช่วงหนึ่งเนี่ยเราจะให้นักศึกษาเอาองค์ธรรมจำนวนมากเนี่ยมาอธิบายก่อนแล้วเธอจับกลุ่มดูว่าองค์ธรรมเหล่านี้ประเภทเดียวกับพวกไหนแล้วแยกประเด็นมาดูเพราะอะไรเป็นหลักการบริหารตนบริหารคนบริหารงาน แล้วก็นำเอาธรรมเหล่านี้มามาสังเคราะห์กันคือให้มาอยู่ด้วยกันเลยกาะกลุ่มคือบางอย่างมันไม่เห็นอะแต่ก็หมายความมาลักษณะเหล่านี้มันมาจากอะไร เ, เช่นสมมติว่าเราเราไม่โกรธเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเมตตาไหมเกี่ยวอะไรกับ เอเกี่ยวอะไรกับสติไหมเกี่ยวอะไรกับปัญญาไหมเกี่ยว อ, อะไรกับความเพียรไหมเกี่ยวอะไรกับศรัทธาไหมเกี่ยวอะไรกับส ม, มาธิไหมเกี่ยว อ, อะไรกับอธิษฐานไหมเกี่ยว อ, อะไรกับสัจจะไหมอะไรแ่างๆแล้วลองมองให้ลองวิเคราะห์ศึกษาดูเพราะตามปกติเราจะเรียนในลักษณะที่แข็งทื่อไปเลย โดยไม่มองว่าการปรากฏของสิ่งนี้มันที่จริงมันสิ่งอื่นปรากฏมาก่อนคล้ายๆกับเรามองต้นไม้ที่ที่ตัวตัวผลมันน่ะมันที่จริงมันมีเหตุที่ทยอย ก, กันมาเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นผลไม้ผลหนึ่งเนี่ยแต่บานทีเราก็พูดที่ผลเราไม่ได้สาวไปที่เหตุ หลังสาวหตุเหตุเราจะเห็นกระบวนการอะไรมากมายกลายกองอยู่ในตรงนั้นเนี่ยแล้วก็อยากให้ท่านมองในมิติทางประวัติศาสตร์ในมิติทางปาฏิหารแล้วก็ในมิติทางหลักธรรมแล้วก็ให้สรุปรวมด้วยตองดูซีรวมกันดูว่าตรงเนี้ยในแง่มุมประวัติศาสตร์มันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา แล้วแก้ไขยังไงในมิติทางสังคมคือเราสังเกตว่าประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยเราไม่สามารถรู้อะไรได้หมดยกตัวอย่างวันนี้คือเหตุการณ์ที่จะเป็นประวัติศาสตร์เมื่อในยี่สิปีข้างหน้าแต่ถามว่าเรามีชีวิตอยู่ในวันนี้ตลอดระยะเวลายี่สี่ชั่วโมงเรารู้อะไรบ้างไหมเราไม่สามารถรู้ได้ เราจะรู้ได้ในวงที่จำกัดแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือไม่จริงเราอาจจะฟังข่าวทางวิทยุอาจจะอ่านในหนังสือพิมพ์อาจจะดูข่าวทางโทรทัศน์แต่พวกนี้มันเป็นกลุ่มผลประโยชน์เท่านั้นแหละกลุ่มหากินด้วยข้อมูลข่าวสารเท่นั้นแหละจริงหรือไม่จริง เพันเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยไม่มีใครรู้หมดแม้ในแต่ละวันเดียววันเดียวเนี่ยไม่มีใครรู้อะไรมันก็รู้เท่าที่รู้ได้อะแต่ว่าคนเราเวลารับข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะไม่คิดนะเช่นว่าคนคนเนี้ยผมรู้จักดีแล้วคล้ายๆเขาจะรู้ไปหมดระมัดคนนั้นแต่ถ้าเราลองคิดดูเนี่ยว่า สามีกับพัญญานี่รู้ไหมว่าวันเนี้ยสามีทําอะไรบ้างสามีพูดอะไรบ้างแล้วสามีคิดอะไรบ้างก็ก็ไม่ไม่รู้สามีก็เหมือนกันก็ก็รู้ไหมวันเนี้ยพัญญาทําอะไรพูดอะไรคิดอะไรเอาวันเดียวเอาสักสิบสองชั่วโมงก็ไม่รู้แหละประเด็นตัวเนี้คนคนไม่ค่อยได้คิด เมื่อก่อนก็ไปอ่านบทความในหนังสือก็ยังเออว่าคนสมัยนี้เขาพูดพูดเก่งคือไปเสร็จเรื่องเรื่องภายในใจมนุษย์อะพอมีหรือไม่มีเนี่ยเออเรารู้ได้ไงเคยฟังคนระดับผลตรีนะฮะผลตรีเขาบอกว่า วัดทั่วประเทศเนี่ยเข้าไปมาหมดแล้วไม่มีวัดไหนที่มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่ากับสำนักสันติอโศกเราก็นึกว่าคนนี้มันโกหกซ้ำซากเลยวัดมีกี่วัดก็ยังไม่รู้เลยแล้วก็วัดเาด้านอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยเราก็รู้ไม่หมด แล้วเราจะรู้ว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเฉพาะแห่งเดียวได้ไงในเมื่อเราไม่มีตัวไปเทียบเคียงนั่นคือแสดงว่าโกหกซ้ำซากแต่ว่าคนเชื่อคนนี้ก็ไปมาหมดทุกวัดแล้ะเราเชื่อเลยเพราะาสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมนิราอินโดเชื่ออะไรง่ายจังเลยแล้วแก้ไขา ย, ยากมาก โดยไม่ได้มองกลับไปในแง่ของความจริงคือสังคมจริงโลกเนี่ยโลกมันมันมันมีมาสของมันในมิติของธรรมะเราต้องถือว่าผลจากการศัตรูอนุตตรสมาสปาุตติญาเนี่ยถือว่าเป็นสั จ, จธรรมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในนี้แม้แต่ในหมหาทยาลมหาทยาลยสงสองแห่งเนี่ย มาอุจเลยมาขุนราชวิทยาลัยมาอุจเลยมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมันเวลาไปแต่งไปทําวิทยานิพนธ์หรือว่าทำํำสารานิพนธ์อะไรต่างๆเนี่ยมักจะใช้เป็นกระบวนการคิดระบบการคิดหรือความคิดสัตยานพุทธไม่ใช่คิดสัตยานพุทธเป็นสัจ ธ, ธรรม เป็นความจริงมันไม่ใช่ระบบการคิดมันไม่ใช่เป็นปรัชญาพรเจ้าว่าไว้ยังไงคืออย่างนั้นเลยจะไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายต้องปูงเป็นทุกขธรรมต้องปรงเป็นหน้าตาไม่มีทางเปลี่ยนไปอย่างอื่นฮิริโอตัปปะเป็นธรรมะคุ้มครองโลกได้แต่ ทุกคนต้องมีฮิริอุตตะปะอยู่ภายในใจและจะสร้างความปลอดภัยขึ้นในโลกได้แต่ภาสนามเนี่ยมันมีไม่ได้เพราะเราก็อาจจะยอดส่วนขึ้นมาว่าในครอบครัวนี้ทุกคนมีฮิริอุตตะปะครอบครัวนั้นเป็นสวรรค์วิมานหรือว่าเมตตาธรรมเป็นเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกเนี่ย เ, เราไปคิดทั้งโลกไม่ได้ แม้แต่ในวัดยังคิดไม่ไหวเลยแต่บ้านเนี่ยมันคิดได้เพราะบ้านอยู่กันไม่กี่คนเอาคุณคุณอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาดูสิมันก็จะคุ้มครองจิตใจของคุณในะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขมีเมตตามีอดทนมีให้อภัยมีรอคอยมีสัจจะมีอาธิษฐาอู้มีธรรมะตามาเยอะเลย เพราะในตรงนี้เราเห็นว่าข้อความนี้สั้นสั้นว่าบุคคลตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบเนี่ยวาจาชอบคืออะไรใจชอบคืออะไรแต่ในขณะเดียวกันกระรับสั่งว่ามิได้ทำบาปด้วยกายการทำบาปด้วยกายทำอะไรบ้างต้องฟังใจนึกออกทันทีเลย แ ต, แต่วันก่อนก็ลองถามนักศึกษาเราก็ขี้เกียจจะดุคนถามว่าธรรมจริยาสรรมจริยาสิบประการเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นเรื่องแปลกไปจริงฮะมีนักศึกษาเยอะตอบไม่ได้ทันทๆงที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ตรงนี้ที่จริงก็คืออะไรคือสุจริตสุจริตทางใจทวารไม่มีอะไรอื่นเลยพะถ้าเราเรียงเราจะเห็นว่าวิธีเรียงเนี่ยมันบางทีเป็นสันเอออย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียงสารานิยธรรมเมื่อวันที่วันที่เก้ามิถุนา ย, ยนเนี่ยที่สเสด็จออกสยามบัญชร นั่นคือทรงเรียงจริงๆว่าการเกิดธรรมะเนี่ยมันจะเกิดแต่เงั้นแต่ว่าพระเจ้าจะเรียงสิ่งที่ปรากฏไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏหมายความเมตตาจะออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยจริงๆมันมีไปได้หรอกถ้าจิตเือนไม่คิดเมตตาเพราะนั่นจะใช้คำว่ากายประจาใจคือจากหยาบเข้าไปหาละเอียดคือที่มาคล้ายๆกับพูดถึง ถึงต้นไม้เนี่ยแต่สาวไปหารากของต้นไม้แต่ว่าในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยมนุษย์ต้องคิดก่อนมนุษย์ถ้าคิดถ้าคิดโดยเมตตาเนี่ยที่พูดเป็นเมตตาจริงที่ทำเป็นเมตตาจริงแต่อย่างที่บอกนีว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ยากจะอย่างรู้ได้รู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจเธอสามารถคิดอย่างทำอย่างพูดอย่างได้ อันนี้คือมนุษย์แล้วก็ไม่ว่าที่ไหนเพราะโลก น, นี้ที่บอกไว้มันก็เป็นสัจธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงมหาสมุทรสุดลึกล้นคอนน า, นาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้เขาสูงอัดวัดวากำหนดจิตมนุษย์นั้นท้ายยากแท้อย่างถึงเพราะเราจะเห็นว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าเอาเอาตั้งใจไว้ตรงกลาง อวาจาไว้อีกด้านหนึ่งกายไว้อีกด้านหนึ่ง ใ, ในพระบาลีพุทธวจนะตรีการเรียงอย่างนี้ท่านท่านฟังลองสังเกตว่าเราจะไปติดใจนะเราจะไปติดใจมันเหมือนการปรุงอาหารเนี่ยคุณเราใส่ก่อนก็ใส่ไปเถอะมันเป็นแกงชนิดนั้นแหละแต่ว่าเราสร้างอุปท า, านขึ้นมาว่าอร่อยหรือไม่อร่อย ความอร่อยเนี่ยเป็นเป็น เ, น เ, น เ, น เ, นเรื่องตลกอะนะทอมาเคยมีคนที่เคารพนับถือกันนะเขาก็แต่คิดถึง<ม>ก็จะหาของที่<ม>ดีๆเนี่ยที่เขาบอกว่าดีที่เขานิยมมาถวายนี่เดี้ยวเ้าเขาก็ถามนะครัาถามว่าดีไหมมันก็ดีอะ่ะเพราะมันไม่บูด แต่ถามว่าเราคิดว่าอันรออย่างที่เขาว่าหรือเปล่าเราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นน่ยมันก็คือธรรมดาธรรมดาไม่เห็นลักษณะดเด่นอะไรเพราะอะไรเพราะว่าการฉันอาหารแบบพระเนี่ยมันก็สมเร็จประโยชน์แล้ว ก, กันไม่ว่าอะไระกินกินให้มันหนักหนักท้องไปสมเร็จประโยชน์ก็ใช้ได้ลนะเพราะงั้นเราเราไม่คิดอย่างที่เขาคิดเพราะเราไม่ถูกสร้างโดยอุปาทาน แต่ว่าคนที่เขาไปซื้อหาพวกของเหล่านี้มาเนี่ยเขาอยู่ในอุปท า, านมันก็มีย้ำพูดย้ำทำย้ำคิดอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็กลายเป็นเป็นอุปท า, านขึ้นมานานมาแล้วนะที่เคยเลา่าให้ฟังเมื่สามีปัญญา น, นั่งกินข้าวอยู่ในกระตอบเล็กๆ ก, ก็จุดจุดใต้ สามีก็บ่นว่ามันรู้สึกหย่อนเกลือไปพันดาวก็เอื้อมมือไปข้างหลังโดยคิดว่ามันไปหยิบเกลือแล้วก็หยิบมาแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็คนสามีอุปทานเข้าไปรับทันทีเลยเออมันก็อร่อยขึ้นเพราะใส่เกลือแล้วนะฮะจะถือว่าหยอดเกลือไม่ได้มันอุปทานมันเกิดอ เพราะถ้ามีเกลือมันก็ต้องเข็มขึ้นพอกินไปว่าถึงมันจะหมดพัญญาก็ชักสงสัยเลยก็เอาใต้สองดูก็ปรากฏว่ามีมีข้าวมีมีข้าวตากเลยขอโทษสามีบอกขอโทษที่ตะกี้ไม่ได้หยิบเกลือลมันหยิบไปถูกข้าวตาก อุปท า, านที่ยึดเนี่ยมันวางเออนั้นน่ะสิว่าฉันฉันสงสัยว่าทําไมมันไม่มีเค็มเลยแต่ไม่กล้าพูดอะ่ะเพราะอุปท า, านจริงๆมันมันมันใส่เกลือแล้วแล้วที่อุปท า, านเดิมเนี่ยคือหมายความว่าถ้าใส่เกลือมันก็ต้องเค็มขึ้นอะ่ะนี่คือลักษณะลักษณะของของอุปท า, านมันก็มีเยอะเพราะเราจะเห็นว่าธรรมะชุดนี้มันเป็นชุดหลัก แล้วก็เราจะเจอตลอดเพราะชีวิตเราต้องอยู่ตรงนี้ถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยเราต้องตั้งจิตไวในทางที่ชอบแล้วก็ทำชอบพู้ชอบหมายความตรงนี้ที่จริงก็คือกายสุจริตวจิรสุจริตมโนสุจริตเป็นการเรียงจากหยาบไปหาละเอียดนะฮะยาไปติดใจอย่างนั้น มันค่าย์ในพุทธสงนี่เห็นไหมทรงเรียงสติแล้วก็เรียงธรรมวิจยะแล้วก็เรียงวิริยะแต่พออริยมรรคก็เรียงสมมาสติสมาธิิสัมมาสังกปะสมาวิจารสมารกรรมตะอ้าพอสีสมาธิปัญญาก็เรียงสีสมาธิปัญญาอ้าวพออินทรีย์ก็เรียงสทาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่แปลกอะไระเพราะจริงๆพวกนี้พระนึกเป็นเนื้อเดียวกัน พอปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นกระบวนกระบวนการเราจะพูดอะไรก่อนอะไรหลังไม่ได้แปลกอะไรตอนพูดแต่ภาคปฏิบัติเนี่ยมันต้องเริ่มที่จิตก่อนจิตต้องคิดก่อนจิตต้องคิดด้วยเมตตาต่อคนฟังจึงอย่างน้อยเคารพสิทธิในชีวิตเขาไม่ร่ว ง, ว ง, ว ง, วงระเบิดเคารพสิทธิในทรัพย์สินของเขาไม่ร่ว ง, ว ง, วงระเมิดเคารพสิทธิในคู่ครองของเขา ไม่ร่วงดับเหมิดแล้วก็เวลาสื่อสารติดต่อกับเขาเกิดต้นรับผิดชอบในสุจริตเนี่ยมันต้องตั้งวาจาไว้ชอบคือเราต้องตั้งเองไม่ใช่ว่าคนฝั่งตั้งตรงเนี้ยหมายความว่าแต่ละคนต้องตั้งเองถ้าเราตั้งวาจาไว้ชอบโดยการตั้งใจไว้ชอบวาจามันจะออกมาเป็นสุจริตเพราะถ้าทุจริตมันจะเป็นบาป แล้วบาปแต่ไม่ใช่คนฟังได้บาปแต่คนฟังเข้าใจผิดทนนั้นเองแต่เราที่ได้บาปพอเราคิดบาปแล้วเราพูดบาปกลายเป็นการหลอกลวงกลายเป็นการหลอกลวงเกินจากเรื่องที่เราได้เห็นได้ยิ น, นได้ทราบในรูปมาหรือน้อยกว่าที่เราได้ยินได้ยินได้ทราบแต่รูปมาแต่ประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่ต้องมองคือตัวประโยชน์ฮะ ทีนี้บางบางบางช่วงบางช่วงไม่อ่านหนังสือพิมพ์เลยคือเราเปิดดูข่าวก็ดีบทความก็ดีมันเห็นเป็นลีลาอารมณ์วันก่อนก็บรรยายเรื่องลีลาอารมณ์ออกทางโมเดิร์นไนทีวีนนี้วันนั้นก็พูดได้ตอนเดียวก็ททำได้ตอนเดียวคือท้องไม่ดี ได้ปรากฏว่ามันไปสะกิด ใ, ใจคนเยอะคนสนใจในรายการตรงนี้เยอะมากถามหาขอคัพปี้ขออัดขอถ่ายอะไรต่างกันเยอะเราพูดไปแล้วเราก็ไม่รู้พูดเรื่องอะไรบ้างไงนะเพราะว่าพูดเยอะเลยต้องไปขอถ่ายมาดูมันก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไร มนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นมอนใช้ดีลาอารมณ์คือแทนที่จะใช้เหตุผลเชิงมนุษย์เนี่ยมันไปนใช้อารมณ์อารมณ์รักอารมณ์ชังแล้วก็ไม่ยุติด้วยเหตุผลและความดีตรงนี้ท่านจึงใช้คำว่าชอบมาความบังการตั้งใจชอบเนี่ยฐานสํำคัญคือต้องเป็นสมาธิธ คือมีปัญญาในชอบตามความจริงแล้วคุณจะต้องกากับตัวโลภะได้คือไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นอยากได้ไม่ว่าการแต่ว่าประกอบความเพียรทางสัมมาชีพเอาคุณโกรธแล้วยาถึงกับอาฆาตพยาบาทเพราะจะประทุษร้ายสุขภาพจิตคุณเองตัวนี้เราจะเห็นว่ามันสุจริตทางใรทวารและ วาจาเราก็งดเว้นจากการพูดเท็จพูดโอเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหลเมื่อเรางดเว้นเนี่ยเราต้องมีวาจาพูดเราต้องมีวาจาพูดพอเมื่อเรางดเว้นจากวาจาที่เป็นเท็จเราก็ต้องพูดวาจาที่เป็นจริงจริงตามอะไรจริงตามประสาทสัมผัสคือจริงตามที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาอย่างไงก็พูดไปอย่างนั้น เมื to to it it. Actually, ่อเรางดเว้นจากวาจาที่สอเสียเราก็ต้องพูดอีกวาจาอีกด้านหนึ่งไม่ใช่อีกด้านหนึ่งจริงๆก็อยู่ด้านเดียวกันแต่ว่าด้านหนึ่งมันเป็นเป็นเศีลเราใจตงดเว้นเนี่ยมันเป็นศีลแต่เราก็พูดวาจาที่เป็นธรรมก็เลยมุ่งดีต่อต่อคนฟังส่งเสริมให้เกิดสามัคคีประสานให้เกิดสามัคคีแล้วกระชับให้เกิดสามัคคี เมื่อเรางลเว้นใจคำหยาบเราก็ต้องพูดค่อยคําที่ไพเราะอ่อนหวานแต่ประเด็นตรงนี้อย่างที่เคยบอกเนี่ยบางทีไม่ต้องหวานนะฮรแต่ว่ามันมืนหมอผ่าตัดมันต้องพูดอะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางคนกลัวกันหมดไม่มีใครพูดมันก็ต้องมีคนพูดคนนึงแหละถ้าปไปยอมจํานวนกันหมดแล้วก็มันทิ้งหลักเกณฑ์ก็ใช้หลักกูหมดมันก็อยู่ไม่ได้สังคมเนี่ยมันต้องมีคนกล้าพูด เราจะเห็นว่าอย่างนำมาเองเมื่อก่อนหนุ่มๆเนี่ยปัญหาบางอย่างเนี่ยเราอยากพูดแต่เรารู้ว่าเราไม่มีบารมีพอที่จะพูดแล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงและบางบทีสถานีวิทยุยที่เราพูดมันไม่กว้างพอก็โทรศัพท์ไปที่วัดชนม์ระฐาให้หลวงพ่อปัญญาท่านพูดหลวงพ่อท่านก็พูดให้ทุกที่ พอหลวงพ่อนี่อยู่ในฐานะที่เรียกว่าปาประมุขคือคือคือว่าอะไรใครก็ได้คนเขาก็ไม่โกรธหรอกตอนนี้ก็เก้าสิบกาแล้วเป็นผู้เท่ามันก็ให้ศีลให้พอดเพราะงั้น เ, เมื่อเราไม่ตาต่อเขาเรื่องที่เราพูดจะต้องมีประโยชน์คือเขาได้สาระประโยชน์จากการการพูดของเราแต่ว่าใจเนี่ย ใจอย่างน้อยเราบรนเทาโลภะบรนเทาโทสะบรรเทาโมหะลงไปมีความเห็นมีมีความเห็นชอบเพราะว่าถ้าเราพูดดีเราก็ได้เป็นคนดีเราก็ได้ทำดีเราก็เป็นบุญแต่เราพูดไม่ดีเราก็เป็นคนไม่ดีแล้วก็พูดไม่ดีแล้วก็ได้บาปมันก็ทำให้จิตใจขุนหมูดสมองก็กลัวต่อปารลโลก แล้วก็อยู่ครอบครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากหมายความต้องมีสถานะทางเศรษฐกิจดีคือถ้าคนเราสถานะทางเศรษฐกิจดีเนี่ยแต่มีสินทำหน่อยนะมันงดเว้นความชั่วได้เยอะเ้วเห็นว่าปัญหาในความยากจนเนี่ยบางครั้งมันมันเป็นความจำเป็นมันเป็นความจำใจจนต้องทำชั่ว มีคนขอทานลูกป่วยไม่มีสตางค์จะรักษาลูกลูกหิวไม่มีอาหารให้ลูกกินต้องไปข้ามโมยเพื่อเอาอาหารให้ลูกกินคือยังนึกว่าอาการการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมนะมันไม่ใช่ว่าตกไปตกมาเกิดไป อย่างคราวนั้นที่ลักลักลูกขนุนที่ริมของหลอดเี่ยโอ้โหสารตัดสินลงโทษโดยเราก็สยองเลยฟ้องไงตำรวดจับแล้วฟ้องแม่ใจคอหรือเกินนะเนยอาอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้นะเพราะฉะเราจะเห็นว่าหลักการตัวนี้ยจึงมีเมตตากายกรร ม, มังวจีกรรมมังโมนกุกรรมมังเมตตาที่ออกมาทีนี้อาการที่เรามีขอมากเนี่ยมันจะ มีน้ำใจเอื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่ต่อบคุคคลอื่นแต่ศรัทธาเนี่ยสามารถที่จะแสดงออกได้คือบางครั้งเราก็มีศรัทธานะอย่างเช่นในกรณีที่ที่ทมีกิจกรรมต่างๆที่เขาออกทางโทรทัศน์เนี่ยเมื่อกนึกไง็นึกว่าน่าจะน่าจะโทรบริจาคแต่ก็ไม่กล้า หรือมันก็กลัวคล้ายๆอยากดังอะไรแต่อะไรไปเราก็ไปทําในเรื่องอิดแล้วก็ไม่อยากจะไปมีชื่อในลักษณะอย่างนั้นทั้งๆที่ก็เห็นควรทําแต่บางทีเนี่ยเราก็ไม่มีคืออยากจะให้อ่ะแต่มันไม่มีให้อันนี้ก็กลายเป็นปนัญหาเหมือนกันพราะนักลู้เจ้าจึงวางไว้ก่อนว่าคือการให้ทานเนี่ย ต้องจับประเด็นให้ได้ว่าหนึ่งเราต้องดูกำลังทรัพย์สองเราต้องดูกำลังศรัทธาถ้ากำลังทรัพย์มากศรัทธาน้อยให้ตามศรัทธาถ้าศรัทธาน้อยทรัพย์มากเนี่ยให้ให้ตามศรัทธาไม่ใช่ถ้าถ้าศรัทธามากทรัพย์น้อยเนี่ยให้ตามทรัพย์ถ้าศรัทธาน้อยทรัพย์ก็น้อยนี่ก็ให้ตามอะไรก็ได้แต่ถ้ามากด้วยกันก็ให้ตามอะไรก็ได้ แต่ถ้าทรัพย์น้อยต้องให้ตามศรัทธาไอ้ไม่ใช่ต้องให้ตามทรัพย์อย่าไปให้ตามศรัทธาแม้ศรัาทธาจะมากยังไงก็ตามเพราะอย่าลื ม, มากันทําบุญเนี่ยคำว่าบุญคือความสุขเพราะคํานคตอบข้อสุดท้ายว่าเราได้ความสุขไหมล่ะถ้าไม่ได้ความสุขก็อย่าทําทีนี้มันปรับจิตมันจนอ่อนอะ่ะ สัตยาเราอย่าลืมว่าจะทําหน้าที่ขจัดกิเลสประเภทโมหะคือความไม่เชื่อความเครือบแคลงสงสัยความหลงตลอดอถึงความโลภความโกรธถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราจะไม่ไปติดใจอะไรกับใครคหรือร อ, อาจจะแยกออกสมมติสมมุติว่าเนี่ยสมมติว่ า, นมมวาคนบางคนอาจจะ ไม่ชอบพระบางรูปก็แสดงมีโทสะจู่พอดีเราก็นิมนต์พระวัดนั้นแล้วก็จัดพระรูปนั้นมาที่บ้านเราพอดีเราต้องทำใจคืออย่าให้โทสะมาเป็นมาเป็นมุนทินใจเพราะว่าท่านมาในนามสูงมันก็อยู่ที่วิธีคิดเพราะฉะจิตใจของคนก็จะมีความอ่อนโยน มีศรัทธามีจิตใจที่อ่อนโยนอ่อนโยนเนี่ยจิตใจจะอ่อนไหวไปกับความทุกข์ของบุคคลอื่นใจที่อ่อนโยนเนี่ยมันทนต่อความทุกข์ยากของคนอื่นไม่ได้ก็ อ, อยากจะช่วยอยากจะมีส่วนแบ่งเบาปัญหาแก่คนเหล่านั้นเราก็กลายเป็นลักษณะเรียกมีปกติเตื้อเฟือเผื่อแผ่เป็นคนมีน้ำใจโดยปกติ เรื่องนี้ค่อยๆจะง่ายนะแต่เป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้สึกยินดียินร้ายของมนุษย์เนี่ยจะทำเป็นอุปสรรคกัดขวางคนบางคนเราไม่ชอบก็จบแล้วเราให้ไม่ได้บางกนนีเราเสียดายเราก็ให้ไม่ได้บางกรณเรสนิทเราก็ให้ไม่ได้บางทีเรามีกำลังทรัพย์ไม่พอมันให้ไม่ได้ เพราะการให้ในบางบางกรณีนเนี่ยมันค้ายๆอย่าเป็นการแข่งขันกันจนว่ามีคนก็บริจราคจนมันเป็นล้านๆอย่างเงี้ยโอ้ก็ต้องถอยก่อนเกิเข้าไปบริจราคในัาษณะนั้นไม่ได้แต่ถ้าเราคิดว่าการทำบุญก็คือตามสติกำลังของเราเขาก็ทำตามสติกำลังของเขาเราก็ทำตามกำลังของเรา เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ทราบถ้อยคำคำว่าทราบถ้อยคำเนี่ยหมายความว่ารู้นัยยะต่างๆนยรู้นัยยะต่างๆว่าใครพูดอะไรมาก็พูดการเข้าใจนะฮะพูดการเข้าใจอย่างในกรณีของอาการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่คิดฝันไว้นะฮะ คือถ้าคนเข้าใจว่าไม่ใช่เราทำเพื่อเราอ่ะคือมาก็เจ็ดสิบสามแล้วก่อจะเสร็จบันทีเราตายแล้วก็ได้แต่เราอยากให้สถาบัานศาสนาไี้มีองค์กรที่ชาวพุทธมาทำงานด้วยกันคือบางครั้งก็อาจจะเป็นเพียงความดำริใน คราวหนึ่งอาจจะเกิดหลังจากเราตายไปแล้วอะไรก็ได้นะฮะคือเราก็ไม่รู้ว่าเหการพู้จาไปเนี่ยก็อยู่ที่คนก็เข้าใจเราเข้าใจว่ามันไม่ใช่อะไรเพื่อเราแต่ว่าเราความคิดอย่างนี้อย่างที่เคยบอกนีตโยมว่ามันคิดได้พูดได้แต่ว่าจะหาแนวร่วมได้ยาก คือมาพูดเรื่องนี้มาจริงตั้งยี่สิบกว่าปีนะฮะพูดมาตั้งแต่ปศสองนหารยี่สิบดนะเริ่มพูดแต่ก็ไม่ได้พูดบ่อยๆเราก็ยังไม่เจอใครที่แสดงเจตจำนงจะสนับสนุนนะก็เพิ่งมีเนี่ยเพิ่งมีท่านอธิการดรรัชนีพรภุกยาพรพุกมานภุนเอกเสรีพุกมารแล้วก็ ท่านผู้หนึ่งที่ดเตอร์ซรีได้ติดต่อเอาไว้แล้วก็ตั้งความหวังแต่ก็ไม่ได้ไปเร่งรัดอะไรได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีก็ไม่ได้ว่าอะไรใครแต่อย่าลืมว่าไอ้คำว่าทราบท้อยคำเนี่ยคือคือหมายความว่ารู้ถึงเจตนารมของ ของคนอื่นนะอย่างที่พระเนเสรีเนี่ยเขาเคยไปโบนัคุติที่มาอยูอ่กับห้องกระจกแล้วก็ศาลาศาลารับแขกก็เงินเยอะอยู่เราก็รู้สึกตกใจนะฮะแต่เขาก็พูดมาประโยคหนึ่งว่าก็ไม่ใช่สมบัติของท่านเนี่ย มันเป็นสมบัติของวัดก็ไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวเราก็ททำบุญทำบุญกับวัดกอดีเราอยู่กุฏินั้นท่านั้นเองเราก็อยู่บางทีก็อาจจะถูกย้ายบางทีก็อาจจะตายก่อนอะเนี่ยคือสรุปว่าปัญหาตรงนี้จะต้องมองมองในแนวเรือล่มในหนองเนี่ยคือเงินทองไ่ไปไหน เปิดคำม า, าทราบถ้อยคำเนี่ยคยือค่าจะง่ายแต่มันยากคนจะต้องสามารถขจัดบนทินคือความสนิทได้แต่ถ้าเราดูองค์ธรรมทั้งหมดนะองค์ธรรมทั้งหมดเนี่ยคื อ, อสุจริตทางกายทางวิช า, าทางใจนอกนั้นมันก็ไปแสดงสุจริตทางกายออกมาเป็นรูปธรรมไม่ใช่ทางาทางทางใจออกมาเป็นรูปธรรมเท่านั้นเองคืออะไรก็คือว่า มีศรัทธามันก็เป็นความสุจริตทางใจออกมาเป็นการบําเพ็ญความดีในด้านอะไรก็ได้เพราะศรัทธานั้นเราจะเชื่อในกฎของกรรมเชื่อในผลของกรรมเชื่อในการเทศต ท, ทั้งหลายมีกรรมเป็นขอ ง, ของตนแล้วก็เชื่อในการศัต ร, รูของพระพุทธเจ้าที่ลักษณะของธรรมะมันเป็นอย่างนั้นเองเพราะจริงๆมันอ่อนมาตั้งแต่โน้นนะฮะอ่อนมาที่กาย ร่างกายแล้วก็อ่อนน้อมแล้วแต่วาจากอ่อนหวานแล้วจิตใจก็อ่อนโยนล่ะเพราะว่าจิตใจที่มีธรร ม, มจะในีใจจิตใจที่อ่อนโยนแต่ไม่ใช่จิตใจที่อ่อนแอเป็นจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแรงนะฮะแต่ไม่แข็งกระด้างตอนออไปสภาพจิตอย่างเนี้ยบางทีนี่เคยเคยคุยลูกศิษย์ฟังว่า คือบางทีหนังสือเล่มหนึ่งต้องั้องเยอะนะเล่มใหญ่นะเขาไปพิมพ์ถึงสองร้อกว่าหน้าเราเราเราสามารถเรียบเรียงในใช้เวลาเป็นงสามสี่คืนเลเราเรียงเรียงจบละแล้วก็บอกว่าเหมือนกับผีข้าวคือนั่งทําโดยไม่เหนื่อยไม่ไม่ง่วงไม่อะไรเลยนั่งทําไปได้สี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงนั่งพิมพ์ซื้อไปใช้เลยไม่นานนานจะเกิด มันก็แสดงให้เห็นว่าเราเกิดศรัทธานเนี่ยเกิดศรัทธาเราอยากจะทำเราเห็นว่าถ้าสังคมได้รับรู้ธรรมะข้อนี้ได้แล้วก็ช่วยกันปฏบิบัติบ้างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าทำมันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์แก่คนอื่นเกิดประโยชน์แก่ศาสนาคือศาสนาก็ได้ศาสน ส, ส, สนิกที่มีคุณภาพขึ้นมาพระเจ้าก็ทรงสรุปว่า ผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมสี่อย่างเหล่านี้ชื่อว่าผู้ดำรงธรรมไม่ต้องกลัวต่อประโลกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าธรรมะเหล่านี้เป็นหลักประกันว่าคุณไม่ตกนรกอะ่ะเอาให้อยู่ที่กุศลกบทสิบประการให้ได้คุณก็ไม่ตกนรกแล้วถ้าฟังเท่าไหร่ เพงทาจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติวไว้ได้เวลาพิเทา่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจุมิเดท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยท่วกันสวัสดี